ปัญหาข้อที่21การปรากฏตัวให้เห็นของเทวดาขยับวัตถุและจับต้องได้ทำไมคนทุกชาติเจอเทวดามักต้องเห็นแสงรัศมีและกลุ่มควันหรือเมฆสีขาวคล้ายกันโอปปปาติกะประเภทเทพชั้นสูงกับความสามารถในการบังคับธรรมชาติได้ การปรากฏตัวของท่านเมฆแดงในหนังสือการติดต่อทางวิญญาณภาคหนึ่งหน้า32มสสเอสเทลโรเบิร์ตก็ได้บันทึกไว้ว่า <c oughs> เขาได้เคยเห็นรูปของท่านเมฆแดงปรากฏออกมาใน่าำกลางอากาศซึ่งรัศมีสีขาวล้อมอยู่โดยรอบและได้ยินเสียงของท่านด้วยและในเล่มเดียวกันนี้หน้า256หก็มีกล่าวไว้ว่า ในพลจัตวาอาซีไฟเบรสได้ยินเสียงท่านเมฆแดงพูดผ่านออกมาจากแตรและในหน้า272เอสเทลโลเบร์สก็ได้บันทึกไว้ว่าท่านใดนั้นแตรทรัมเปตเริ่มเคลื่อนที่อย่างมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่พุ่งวนเวียนไปมารอบห้องอย่างรวดเร็วโดยมีแผ่นเรืองแสงสองแผ่นลอยติดตามไปด้วยและก็เป็นครั้งแรกในตอนเย็นวันนั้นที่ได้ยินท่านเมฆแดงกล่าวขึ้น เสียงท่านเมฆแดงกล่าวขึ้นว่าจงเอาไฟฉายมาให้ฉันหน่อยสิยืนมันออกมาข้างหน้าเพื่อว่าฉันจะได้หยิบเอามาได้ไฟฉายที่ท่านเมฆแดงกล่าวนี้ก็เป็นไฟฉายที่กระเป๋าธรรมดานั่นเองแต่มีผ้าสีแดงบุกไว้ข้างหน้าเพื่อกดแสงให้มัวลงบ้างบางครั้งดิฉันก็ใช้ในระหว่างการดำเนินพิธีสรงวิญญาณไอลิสบุตรสาวของดิฉันได้เอื้อมมือไปหยิบมันขึ้นมา แล้วก็ยืนออกไปสุดปลายแขนของเธอในขณะต่อมาก็ปรากฏว่าไปชายนั้นลอยอยู่เหนือศีรษะของทุกคนที่นั่งร่วมวงพิธีอยู่นั้นโดยมีการปิดปิดเปิดเปิดอยู่คล้ายๆกับจะลองดูว่าจะใช้ได้ดีหรือไม่ต่อจากนั้นก็เปิดค้างอยู่แล้วก็ค่อยๆเ ค, คลื่อนไปมาจนกระทั่งไปหยุดอยู่ที่เมฆเอกโทพลัซมล่องลอยอยู่กลางอากาศแล้วก็ส่งแสงสีแดงน้อยๆ น, นั้นไปที่ตรงกลางปุยเมฆ ซึ่งเป็นที่ที่หนาทึบที่สุดในที่นี้เป็นการเนรมิตให้ปรากฏเป็นกลุ่มเมฆหรือภาพของเมฆขึ้นในห้องนั้นนะครับท่านใดนั้นก็มีดวงหน้าปรากฏขึ้นแต่ไม่ใช่ดวงหน้าเดิมคราวนี้เป็นดวงหน้าที่แสดงถึงความเข้มแข็งคือเป็นดวงหน้าของท่านเมฆแดงปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นเวลาประมาณ15วินาทีครั้นแล้วก็ค่อยๆหายไป เช่นเดียวกับดวงหน้าเดิมต่อจากนั้นไฟฉายสีแดงก็ดับลงอีกครั้งหนึ่งห้องนั้นก็อยู่ในความมืดสนิทยกเว้นแต่สีเรืองแสงซึ่งเราจะเห็นได้จากแตรและแผ่นเรืองแสงที่ลอยตามแตรนั้นไปมาเรื่อยๆอยู่ระหว่างพื้นห้องและพิแดนตลอดเวลาจากข้อความที่ได้บันทึกเวนี้แสดงให้เห็นว่าท่านเมฆแดงสามารถที่จะปรากฏตัวให้เห็นได้ แต่ก็ขอให้สังเกตว่าจะต้องมีเอกโทพลสซัมซึ่งมีลักษณะเหมือนปุยเมฆเป็นฉากขึ้นก่อนดวงหน้าของท่านจึงจะปรากฏให้เห็นที่ปุยเมฆนั้นได้เรื่องนี้ข้าพเจ้าได้เรียนถามท่านเมฆแดงแล้วในระหว่างที่กำลังเขียนตอนนี้ท่านก็ยอมรับว่าท่านทำได้เช่นนั้นจริงๆแต่อธิบายเหตุผลไม่ได้และข้าพเจ้ายังได้เรียนถามถึงรูปถ่ายของท่านอีกว่า ใครเป็นคนถ่ายเพราะตอนที่ท่านมาคราวแรกเมื่อวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 1พครั้งนั้นท่านยังไม่ได้บอกรายละเอียดเพียงแต่บอกว่ารูปที่นามาติพิมพ์ในหนังสือที่เอสเทลโรเบิร์ตเป็นผู้เขียนนั้นเป็นรูปที่ได้มาจากการถ่ายและการถ่ายรูปโอปปาติกะเป็นไปได้อย่างไรข้าพเจ้าก็าได้อธิบายมาแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่อธิบายอีก เรานี้ท่านได้บอกว่าคนที่ถ่ายรูปของท่านมีหลายคนด้วยกันแต่เดี๋ยวนี้จำได้เพียงคนเดียวคือนายมอลิสบาร์บานลนอกนั้นจำไม่ได้หมายเหตุในขณะที่ข้าพเจ้าเขียนข้อความตอนนี้เป็นเวลาที่ห่างจากการพบท่านเป็นครั้งแรกประมาณ8ปเดือนเศษอันหนึ่งนายมอลิสบาบานลเป็นคนที่เคยเห็นปรากฏการทางวิ ญ, ญญาณมามาก และได้เขียนเป็นหนังสือไว้เล่มหนึ่งชื่อว่าลัทธิวิญญาณศาสตร์ซึ่งได้แปลเป็นภาษาไทยและจัดพิมพ์ออกมาแล้วโอปปาติกาองค์หนึ่งท่านได้อธิบายให้ฟังว่าการที่โอปปาติกาจะปรากฏร่างให้มนุษย์ลายเห็นนั้นโดยปกติจะทำได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นต้องสามารถทำกายให้หยาบได้และถ้าหากความหยาบมีไม่พอ แสงที่มนุษย์จะพึงเห็นได้ก็จะผ่านร่างนั้นไปไม่สะท้อนกลับเข้ามาสู่เลนตาผลก็คือมนุษย์มองไม่เห็นพวกโอกปปาติกะแต่สำหรับในกรณีของท่านเมฆแดงซึ่งมีเอกโทพลัสซัมซึ่งมีลักษณะเป็นปุ๋ยเมฆสีขาวเป็นฉากอยู่นี้ย่อมจะช่วยให้แสงที่มนุษย์จะพึงเห็นได้สะท้อนกลับเข้ามาสู่ดวงตาของมนุษย์ได้แต่อันนี้ก็ควรจะเข้าใจได้ด้วยว่า ปุยเมฆสีขาวนั้นถ้าหากเป็นปุยเมฆธรรมชาติที่มีอยู่ในอากาศก็ไม่อาจจะใช้เป็นฉากเพื่อที่จะให้มนุษย์เห็นโอปปาติกาได้แต่สำหรับในกรณีที่เอสเทลโลเบิร์ตได้บันทึกไว้นี้แสดงให้เห็นว่าปุยเมฆสีขาวนี้เกิดจากการกระทำของท่านเมฆแดงแต่จะทำโดยวิธีไหนจึงได้มีปุยเมฆอันนี้เกิดขึ้นมาท่านเมฆแดงไม่ได้อธิบาย เพราะท่านไม่เคยมีความรู้ในทางวิทยาศาสตร์มาแต่เดิมหรือท่านอาจจะรู้แต่ท่านไม่ตอบก็อาจจะเป็นได้เพราะเห็นว่ามีโอปปาติกะอยู่อีกองค์หนึ่งซึ่งเคยเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นผู้ตอบแทนท่านอยู่แล้วท่านจึงไม่อธิบายสำหรับโอปปาติกะองค์ที่เคยเป็นนักวิทยาศาสตร์นี้ท่านได้อธิบายให้ฟังว่าโดยปกติ ปปัติกะที่มีอํานาจจิตสูงย่อมมีอํานาจที่จะบังคับธรรมชาติได้ซึ่งจะบังคับได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับกําลังจิตคือถ้ามีอํานาจ จ, จิตสูงมากก็บังคับได้มากถ้ามีอํานาจจิตไม่สูงก็บังคับได้น้อยหรือไม่ก็อาจจะบังคับไม่ได้เลยแต่สําหรับในกรณีของท่านเมคแดงนั้นผลงานในด้านต่างๆได้แสดงให้เห็นอยู่แล้วว่า ท่านมีอำนาจจิตสูงไม่ใช่น้อยแต่ก็ควรจะสังเกตไว้ด้วยว่าเอกโทพลัซัมนั้นมีลักษณะเหมือนกับปุย๋ยเมฆและเป็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาของมนุษย์เพราะฉะนั้นก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเอกโทพลาซัมจะต้องมีลักษณะเป็นวัตถุไม่ใช่เป็นนามธรรมาและในเมื่อเป็นวัตถุก็มีปัญหาอีกว่าสสารอะไร ที่ประกอบกันขึ้นเป็นเอกโทพลาสมสำหรับในปัญหาข้อนี้ท่านได้ตอบว่า ส, สารส่วนใหญ่ที่ประกอบขึ้นเป็นเอกโทพลาสมก็คือไอน้ำซึ่งมีอยู่ในอากาศนั่นเองแต่ไอน้ำที่จะใช้เป็นฉากเพื่อให้เห็นโอปปาติกะนี้จะต้องถูกบังคับให้รวมตัวขึ้นด้วยอำนาจจิตและที่สำคัญที่สุดก็คือ ในไอ้น้ำนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่คล้ายกับสิ่งที่มีชีวิตด้วยเพราะมีพลังของวิญญาณควบคุมอยู่ไอ้น้ำจึงจะรวมตัวกันขึ้นเป็นเอ็กโทพลาซัมในลักษณะนี้ได้แต่อย่างไรก็ดีมีข้อที่น่าสังเกตอ ย, อยู่อย่างหนึ่งว่าเรื่องที่เล่ากันมาในทํานองนี้ในเมืองไทยก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันแต่จะจริงหรือเท็จเป็นประการใดข้าพเจ้าก็ไม่อาจจะรับรองได้ เพราะเพียงแต่ได้ยินเขาเล่ามาและเคยพบในคำภีบ้างเท่านั้นเช่นที่กล่าวกันว่าพวกเทวดาในบางครั้งก็ปรากฏให้เห็นในท่ามกลางอากาศหรือบางทีก็ในท่ามกลางหมู่เมฆซึ่งเรื่องในํำนองนี้มีปรากฏอยู่ในหนังสือวรรณคดีของไทยหลายแห่งและที่เขียนเป็นภาพติดอยู่ตามฝาผนังโบสถ์หรือตามสาลาวัดก็มีเข้าใจว่าความจริงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ คงจะมีอยู่บ้างเป็นแต่ว่าคนไทยสมัยก่อนไม่ค่อยชอบคิดหาเหตุผลเมื่อใครเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้ก็เชื่อทันทีหรือในเมื่อมีใครมาเล่าให้ฟังถ้าคนที่เล่าเป็นพระหรือเป็นบุคคลที่คนส่วนมากเชื่อถือก็จะรับเชื่อไว้ทันทีและก็เล่าต่อๆกันมาข้าพเจ้าคิดว่าคำอธิบายของท่านเกี่ยวกับเรื่องเอทพลาสมนั้น ถ้าพิจารณาดูให้ละเอียดแล้วก็จะเห็นว่ามีเหตุผลน่าเชื่ออยู่ไม่น้อยและอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าได้รู้จักกับท่านเมฆแดงมาเป็นเวลาเกือบปีแล้วรู้สึกว่าท่านเป็นเทพที่มีจิตใจสูงเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาและไม่มีเหตุผลอันใดที่ท่านจะมาโกหกเพราะฉะนั้นเรื่องปฏิหารต่างเท่าที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้แม้บางอย่างจะเห็นว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ ก็อย่าเพิ่งดูถูกควรจะรับฟังเอาไว้บ้างและควรจะสำนึกไว้บ้างว่าความรู้เท่าที่เรามีอยู่ยังมีขอบเขตจากัดมากยังมีอีกหลายอย่างซึ่งเราไม่รู้และมีกฎเกณฑ์ผิดไปจากที่เราเคยรู้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปยึดมั่นอยู่แต่ในความคิดเก่าเราก็อาจจะเป็นเหมือนกับคนโบราณในที่บางแห่งที่เคยเห็นตะเหล็กจมน้าและไม่เคยเห็นกระทะเหล็กหรือบาดเหล็กซึ่งลอยน้าได้ คนเหล่านี้ก็มักจะนึกไม่ถึงว่าคนเราสามารถที่จะเอาเหล็กมาทำเป็นเรือและใช้ได้ดีเช่นเดียวกับเรือที่ทำด้วยไม้หรือเรืออย่างอื่นอย่างนี้เป็นต้นหมายเหตุผู้อ่านสำหรับในเรื่องนี้ก็คงตรงกับเรื่องเล่าของหลายชาติหลายภาษา ที่มีเล่าสืบต่อกันมานะครับว่าเมื่อมีเทวดามาปรากฏนั้นก็มาจะมีกลุ่มเมฆหรือหลายคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นกลุ่มควันสีขาวหรือสีเทาให้สังเกตนะครับว่าทำไมเรื่องเล่าต่างๆทั้งที่อยู่คนละมุมโลกนั้นเมื่อตรวจสอบบันทึกที่สมัยก่อนยังไม่สามารถเดินทางหากันได้นั้นก็ปรากฏว่าต่างก็เล่าไว้ตรงกันและมีสภาพใกลเคียงกัน ซึ่งเรื่องนี้ก็เคยมีประสบการณ์ตรงมาเช่นเดียวกันนะครับในสมัยเป็นวัยรุ่นนั้นก็มีความคิดว่าอยากฆ่าตัวตายก็ปรากฏว่ารู้สึกวูบตกผ ว, วังไปชั่วครู่หนึ่งและปรากฏภาพของชาชาราชุดขาวหนดวดเครายาวมีใบหน้ายิ้มแยม้มและดูใจดีมากอย่างที่ไม่เคยพบกับคนทั่วไปมาก่อนซึ่งในขณะปรากฏนั้นก็ปรากฏเป็นกลุ่มเมฆรอบตัวของท่านเช่นเดียวกันในตอนนั้นยังไม่ได้นับถือพุทธนะครับหลังจากที่ท่านปรากฏตัวนั้น ท่านก็บอกว่าให้อดทนอยู่ไปก่อนยังไม่ต้องรีบตายแล้ววันหนึ่งเมื่ออายุเท่านี้ก็จะมารับไปอยู่ด้วยหลายอย่างนะครับที่ได้เจอหลายสิ่งที่คนทั่วไปยากจะได้เจอจนทำให้ฉุกคิดว่าภพชาติน่าจะมีจริงตายแล้วน่าจะไม่สูญและในที่สุดก็มานับถือศาสนาพุทธ